คือตัวเขาเองไม่สักแต่ว่าเกิดขึ้นเป็นพฤติกรรมแต่ไม่มีผลก็แะเปรียบแบบชาวทั่วไปก็คือทำงานแบบรับเงินเดือนกับไม่รับเงินเดือนอก็ทำงานเท่ากันขยันเท่ากันอะไรเท่ากันหมดแต่ว่าอีกคนหนึ่งรับผลตอบแทนอีกคนหนึ่งไม่รับผลตอบแทนคนที่รับไม่รับผลตอบแทนแปลว่าเขามีเกินกว่าที่เขาจะเอาเออเออผลตอบแทนอันนี้แต่ถ้าเป็นธรรมดาทั่วไปก็รับผลตอบแทน นก็นนะเหมือนกับคนอย่างพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยนะกับปุตุชนแสดงธรรมก็แสดงสูตรเดียวกันชาวนะพระพุทธเจ้าเป็นมหากิริยาปุตุชนทั่วไปหรือพระอาริยะล่างๆแสดงด้วยมหากุศลผ้าอาริยะเบื้องล่างหรือปุตุชนมีวิบากต่อไปเป็นธรรมดาแต่ของพระพุทธเจ้าไม่มีวิบากจะ่เรียกว่าทําเสร็จแล้วกัแล้วกันไปไม่มีผลตอบแทนใดๆทั้งนั้นข้ออะไรเพราะว่า ตัวที่ที่เชื่อมให้กรรมและผลของกรรมมันให้ผลนะคืออะไรคือตันหาตัวที่เชื่อมชาวนะให้มีผลต่อไปในอนาคตเนี่ยนะหรือวิบากตอนเนี้ยทำไมกรรมในอดีตเชื่อมมาให้ผลได้เพราะตันหาเนี่ยเป็นตัวเย็บเอาไว้เย็บกรรมกับผลของกรรมให้มีไว้ทีนี้อรหัน ต, ตมรของท่าอารหันตทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยทาลายตัวเย็บนั้นได้แล้วเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีผลเป็นธรรมดา จริงๆแล้วมหากริยาคือมหากุศลแต่เกิดในจิตของข้ารหันคือมหากุศลนั่นเองไม่ไม่ต่างกันแต่เนื่องจากไม่มีวิบากต่อไปเป็นธรรมดาเลยเรียกว่ามหากิริยาเดี๋ยวถามคุณเจ้านะครับวชนะตรงนี้เป็นมโนทวารัชนะนี่เป็นโยนิโสมณัสิการหรือว่าอาโยนิโสมณัสการใช่ไหมครับใน ในอรรถาถาในสั b h าสวัสดิสรสูตรเนี่ยท่านแสดงว่าโยนิโสมานสิการเป็นการน้อมนึกเป็นการพิจารณาเป็นการใส่ใจโดยใจ ล, ลักเนี่ยค่ะเป็นต้นเนี่ยเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าครับถ้าถามไม่ต้องเปิดตําราแท่งอะเพราะว่าสําหรับโยนิโสเนสการนี้ก็แสดงไว้หลายที่ใช่ไหมครับอยา่างโสตาปัญญะ<ป>ก็มีเปไปหน้าเจ็ด้อยเก้าสิบแปดเนี่ยนะอา่าเปิดไปหน้าเจ็ด้อยเก้าสิบแปดนะจะเห็น ข้อหนึ่งร้อยหกสิบเก้าหน้าหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดข้อหนึ่งร้อยหกสิบเก้าถามว่าวิญญาณเจริยาเป็นไนกิริยาคือความนึกเพื่อต้องการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงอันเป็นอัพยกฤิตเป็นวิญญาณเจริยาอันนี้คืออะไรคือมโนทวาราวชนะการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยง เป็นญาณจริยาอันนี้คือปัญญาที่อยู่ในชาวนะเพราะฉะนั้นชาวนะอันเนี้จะเป็นไปได้ก็เป็นไปตามอํนมานาจของอาวชนะอาวัชนะเ น, นี่ยนึกถึงความไม่เที่ยงก่อนชาวนะจึงนึกไม่เที่ยงตามเห็นไหมครนี้จะเป็นโสตาปฎิยังฆะย่ยโสนาสิกานหรือว่าย่วยโสมนาสิกานที่เป็นผัจจัยแก่สติสัมปชัญญะนี่อเดียวกันไหมครับเอ่อ โยนิโสมนัสิการในอวิชชาสูตรตันหาสูตรอังคุตรณนิกาทัสกานียบาทเนี่ยตรงนั้นเน้นว่าการน้อมชาวนะไปให้เกิดกุศลทั้งหลายเนี่ยนะน้อมไปให้เป็นสิกขาสามคือน้อมไปเพื่อให้มีอินทรีย์สังวรซึ่งเป็นการนึกเพื่อให้เกิดกุศลนึกเพื่อให้เป็นไปตามคําสอนนึกให้เป็นอะไรเป็นศิกขาสามอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ถ้าเป็นโยนิโสมนาสิการในสัภาสวะสังวรสูตรที่อื่นเนี่ยเป็นการนึกเพื่อจะเห็นอริยสัจเนี่ยนะเป็นการนึกชี้นําเพื่อให้เห็นอริยสัจตามเนี่ยนะ น, นึกเพื่อให้ให้วิปัสสนาให้อนุโลมต่อการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะนั้นถามว่ากว้างแคบแตกต่างกันไหมบอกกว้างกว่ากันในอวิทาสูตรตันหาสูตรนั้นอ่ะกว้างเพราะเป็นการนึกตามคําสอนทั้งหมด แต่ถ้าในสัพพาสะวะสังวรสูตรเป็นการนึกเพื่อจะรู้อริยสัจเนี่ยนะไอ้นึกเพื่อจะรู้อริยสัจนี่ยเป็นการนึกน้อมนําวิปัสสนาอย่างอย่างเช่นข้อความในเจริญญาเาจริยานานัตตยานิเทศเนี่ยนะเป็นการนึกสัพพาสะวะสังวรสูตรเนี่ยเอาข้อความเหล่าเนี้ยไปอธิบายเนี่ยนะงนั้นถ้าถ้าเราบอกว่าเออข้อความใน สภาสวะสังวรสูตรโยนิโสมนัสิการแบบนั้นเนี่ยอัตกถาท่านว่าเองจริงไม่ใช่ท่านขยายตามนี้เนี่ยนะท่านขยายตามแนวปฏิสัมพิธา ม, มากตรงนี้อั้นถ้าคนที่อ่านพระไตรปิฎกแล้วเข้าใจเนื้อความเป็นอย่างดีนะเวลาเราอ่านอัตกถาเราจะรู้ว่าท่านไม่ได้ว่าเองท่านเป็นคนที่เชื่อมให้แต่แต่ไม่มีใครทําเชิงอัดเอาไว้ว่าประโยคนี้นะตามแนวคัมภี์นั้นตามแนวคมภี์นี้ ถ้าเชื่อมไม่อย่างนั้นก็อู้อ่านอย่างนั้นก็หน้ามืดตาหูเออตาลายไปหมด อ, ะ, อะนะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าถ้าข้อมูลมาตรฐานนะน้อมใจเชื่อไปเอถอะท่านไม่หลอกเราหรอกว่างั้นเนี่ยนะถ้าถ้าเป็นข้อมูลมาตรฐานนะเพราะว่ายิ่งฟังแล้วยิ่งสัมพันธ์กันไปเรื่อยเรื่อเรืยเรแต่ถ้าไม่มาตรฐานนะพูดไปแล้วมันจะขัดกันเองเนี่ยนะพูดไปพูดมาเหมือนกับว่ามันเดินโชว์เดินไปเดินมาตวัดขาตัวเองล้มอยู่ตรงนั้นอนะ ก็เรื่องนี้นะถ้าใครเอานิวรณ์กับโพชงมาทําปริญญามากๆไม่จะไม่เป็นปัญหาเลยเรื่องที่คุยกันเมื่อกี้เนะี่ยจะเป็นเรื่องไม่ได้ลึกซึ้งอะไรนะักหรอกถ้าเอาเช่นเอานิวรณ์มาทําปริญญาเช่นว่าเมื่อการมาฉันทานิวรณ์มีอยู่ณนะภายในจิตก็รู้ชัดเลยนะอยู่ณภายในอ่ะถามว่าทําไมมันจึงเกิดอาการมาฉันทา น, นี้ถ้าไม่มีเช่นเมื่อการมาฉันท่าไม่มีอยู่ณภายในก็รู้ชัดทําไมมันจึงไม่มีอ่ะ เนี่ยนะไม่ที่ไม่มีบางคนไม่มีเพราะตอนนั้นไม่ได้ปัจจัยเช่นตอนนี้เราโกรธไหมไม่โกรธทำทําไมไม่โกรธยังไม่ได้ไม่ได้ปัจจัยร้องใครมาด่าดูสิใครบอกว่าหนีหนีนี้ลุกขึ้นฉันจะนั่งตรงเนี้ยเอออะไรเกิดขึ้นนะใช่ไหมดีไม่ดีฟาร์มจะพายอยู่แถวนั้นนะเพราะยังไม่ได้ปัจจัยก็เลยไม่โกรธอย่างเงี้ยเพราะบางทีเนี่ยไม่มีเพราะเจริญเมตตาอยู่อหรือ ไม่มีการมฉันท่านิวรณ์เพราะเจริญอสุภะอยู่หรือเพราะยังไม่มีไม่มีวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความชอบใจทีนี้ถ้ามีแล้วละได้ยังไงคิดยังไงจึงจะออกจากไออะคูโซมิโตกอันนี้ได้แล้วออกได้อดขาดออกที่ไหนเมื่อไหร่เนี่ยนีอันเนี้ยเป็นเป็นเรื่องของการน้อมนึกมาเพื่อจะรู้ปหาตัะธรรมทำที่ต้องละเป็นยังไงทีนี้สติปัฏฐานเป็นต้นเนี่ยนะสติปัฏฐานเกิดได้ยังไงเรียกว่าเช่น เมื่อสติสัมโพชฌงมีอยู่หน้าภายใน<พ>ยก็รู้ชัดว่าสติสัมโพชฌงมีอยู่หน้าภายในสติสัมโพชฌงมันอยู่ๆแล้วมันเกิดขึ้นเองพร่งขึ้นมาอย่างนี้เหรอมันเกิดได้ยังไงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมันเกิดได้ยังไงปัจจัยอะไรหนอที่ทําให้สติสัมโพชฌงมเกิดเนี่ยก็รู้ถ้าสติสัมโพชฌงมไม่เกิดเพราะอะไรจึงไม่เกิดที่เกิดแล้วเนี่ยนะจะบริบูรณ์ได้ยังไงก็รู้ชัดทั้งหมด อันนี้ก็เป็นการเอาพาเวตาประธรรมมาทำปริญญาอีกครั้งนะแต่เป็นการทําปริญญาเพื่อเจริญขึ้นขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นเพราะฉะถ้าเราน้อมไปพิจารณาทั้งปหาตประธรรมกับพาเวตาประธรรมบ่อยๆจะรู้ว่าอยู่ที่อวัชนะจริงๆอยู่ที่การน้อมไปนึกเนี่น้อมไปนึกให้เป็นบาปมันก็เป็นบาปน้อมไปนึกให้เป็นบุญก็เป็นบุญสํานวนว่าอยู่ที่นึกเอาอะอยู่ที่อวัชนะเอา แต่ปัญหานะเราพูดอย่างนี้ไม่ยากเอาจริงๆเอาไปเจริญเมตานะตลังจันนี้จะกลับบ้านนะเจริญใหถ้ถึงที่บ้านเลยนะจากนี้ต่อไปจะคิดแต่ให้เป็นเมตตาเดี๋ยวจะรู้ว่าเออปัจจัยมันไม่ได้มาจากปัจจัยเดียวนี่เนี่ยอุปนิสัยที่สะสมโทสะจะไปเก็บไว้ไหนคันี้มันก็โคลงมาเรื่อยอ่ะเนไนี่มนะ ผมจำได้ว่าท่านเคยทํำปริญญาให้ดูเรื่องนี้นะฮะที่ว่าทำอารมณ์กับผวังเนี่ยครับที่มันสัมพันธ์กันยังไงทําให้เกิดมโนวิญญาณเนี่ยนะพอท่านทาปริญญาแล้วถึงจะรู้โอ้ตรงนี้เออจริงๆเห็นว่าโอ้ตัวตัวผ ว, วังมันมีบทบาทมากอย่างนี้เองนะเพราะฉะนั้นคนหนึ่งเนี่ยเห็นว่าอารมณ์เดียวกันเนี่ยคนหนึ่งคิดอย่างนั้นอีกคนนึงคิดอย่างนี้ต่างกันฟ้ากับดินเนี่ยโอ้ตัวผวังนี่มีความความสำคัญ บางคนทวิเหตุบางคนติเหตุบางคนไม่มีสักเหตุบางคนอหเหตุนีแย่เลยจึงมันก็ต่างกันตรงนี้นะแต่พอเขียกนกระดาษเราจะรู้ว่าโอ้มันมันโยงใหญ่กันอย่างนี้คือแต่ละเรื่องเลยนะถ้าถามว่าถ้าลงเรื่องนั้นละเอียดไปเลยนะก็ปฏิสัมพิทาก็ น, นอนนะอาทิตย์หน้านัะนะ่นแหะคือแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะั้นมันเป็นวิชาอีกหมวดวิชาหนึ่งเลยที่ที่เรียกว่าเป็น โอ้ oh, อธิบายกันใหญ่โตเลยนะงั้นของเราก็ฟังเอาเสพพูนก่อนในปฏิสัมพิธามมัคเนี่ยนะเล่มหกสิบแปดต่อจากครั้งที่แล้วทวนอีกครั้งหนึ่งว่าคําว่าปฏิสัมพิธานี่นะเป็นชื่อของปัญญาที่แตกฉานคําว่าแตกฉานเนี่ยหมายค่าวว่าฉานมันฉานยังไงฉานภาษาเขมรเนะ น, นี่ยฉานเนี่ยแปลว่าราั้วไปเรื่อยนั่นะงนั่นะนะ ชานเนี่ยเป็นภาษาเขมรคือชาเรามาจากคำว่าชามันมันกว้างกว้างไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะคำว่าแตกชานก็คือมันจริงๆแล้วหมายถึงว่าปัญญาที่รู้ประเภทแยกแยกประเภทออกคือแยกเป็นอ่ะนะถ้าเป็นถ้าเป็นนักดูผ้าเขาแยกลายผ้าเป็นอ่ะนั่นนะคือคือคนที่แยกเป็นอ่ะนะเช่นดูลายผ้าม่านเนี่ยเขาแยกลายเป็นเนี่ยเออหยักหยแบบนี้เรียกลายอย่างนี้หยักหยักแบบนั้นเรียกลายอย่างนั้นอ่ะนะ หรือลงรายละเอียดได้วิเคราะห์แยกแยะไดะ้กลุ่มลักษณะปฏิสัมพิทาเนี่ยจะลักษณะเดียวกันแยกแยะได้นี้ตัวปฏิสัมพิทาเบื้องต้นหลักสําคัญมากคืออัตถะกับธรรมปฏิสัมพิทาเนี่ยนะถ้าว่าย่อๆก่อนว่าความรู้ในปัจจัยเรียกว่าธรรมปฏิสัมพิทาความรู้ในปัจจุบันเรียกว่าอัตถปฏิสัมพิทา ตัวที่วิเคราะห์ปัจจัยเนี่ยนะเรียกวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยทําไมจึงเป็นปัจจัยได้น น, นวิเคราะห์แยกแยะได้อย่างนี้นะอันนั้นแหละเป็นธรรมปฏิสัมพิธาแต่รู้ว่าปัจจุบันมีองค์ประกอบอยังไงยังไงอันนี้แหละเรียกว่าอัฏฐปฏิสัมพิธาเช่นว่าความรู้วิเคราะห์วิบากแยกแยะวิบากว่าวิบากมีองค์ประกอบะกอะไรมีอะไรเป็นอารมณ์เป็นต้นนะความรู้ในวิบากอย่างนี้เป็น อาธากติสัมพิทาคือแยกได้ทั้งแบบนี้เป็นกุศลวิบากนี้เป็นอกุศลวิบากตัวที่ไปวิเคราะห์ตัวกุศลที่เป็นปัจจัยแห่งวิบากอันนั้นเป็นธรรมะปฏิสัมพิทาเนี่ยนะยก็แยกแยกกุศลแยกวิบากแยกอกุศลแยกวิบากวิเคราะห์อกุศลเป็นวิเคราะห์วิบากแห่งอกุศลเป็น วิเคราะห์ชาวนะที่เป็นกุศลเช่นกุศลเนี่ยมีสีเป็นอารมณ์มีมีรูปายจตนะเนี่ยนะมีสีเป็นอารมณ์เป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาและวิเคราะห์ว่าในองค์ประกอบของกุศลมีอะไรบ้างกุศลเหล่านี้ทําจิตชรุปล่วงมาเป็นกายกรรมหรือวจีกรรมหรือเป็นมนโนกรรมกรรมเหล่านี้มันให้ผลยังไงเป็นทิฏฐธรรมะเวทนิยกรรมอุปชาวเวทนิยกรรมหรืออัปราปร ะ, ปะเวทนิยกรรมการที่วิเคราะห์ตัวกุศลอย่างนี้ แล้วกุศลจะเป็นปัจจัยยังไงต่อไปได้อันนี้เป็นธรรมะปฏิสัมพิทาทีนี้หรือเมื่อวิเคราะห์วิบากเนนะอาวิบากเช่นจิตเห็นจิตได้ยินจิตรู้กลิ่นจิตเราเนี่ยมาจากปัจจัยอะไรจิตเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยอาศัยปัจจัยอะไรมาอุปการะบ้างแล้วกรรมมาเป็นปัจจัยแก่จิตเห็นอย่างนี้ไงเป็นได้ยังไงหรือว่ากรรมเนี่ยเป็นชนกะกกรรมหรืออุปถัมภกกรรมหรืออุป ป, ปีละกกรรมเนี่ยนะก็มาวิเคราะห์แยกแยะอย่างนี้ได้เรียกว่า อถากปฏิสัมพิทาทีนี้ความกว้างขวางลึกซึ้งของปฏิสัมพิทาเนี่ยนะท่านถือเอาการรู้อริยสัจเป็นหลัก